วันนี้เป็นวันเสาร์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีความสนใจในการศึกษาพังเทศพังธรรม และสนใจกับการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิจเจริญส ม, มถะภาวนาคือการทำใจให้นิ่งให้สงบ ให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิการแสดงธรรมที่นี่ก็จะแสดงประมาณสามสิบนาทีแล้วหลังจากนั้นอีกสามสิบนาทีก็จะเป็นเวลาที่จะนั่งสมาธิกันธรรมะที่จะเอามาแสดงวันนี้ก็คือเรื่องใจ ใจเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในโลกนี้เพราะใจเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีวันตายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาแต่ใจในี้ไม่ได้ดับไปกับทุกสิ่งทุกอย่าง ใจเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์อย่างพวกเราพวกเรามีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือมีร่างกายแล้วก็มีใจร่างกายนี้เป็นส่วนประกอบของธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ที่มารวมตัวกันทำให้เกิดมีอาการสามสิบสองเช่นมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วก็มีใจผู้ที่มีความสามารถที่จะรู้ที่จะมีความสามารถที่จะมีความรู้สึกเรียกว่าเวทนา มีความสามารถที่จะจำได้หมายรู้เรียกว่าสัญญามีความสามารถที่จะคิดปรุงแต่งเรียกว่าสังขารแล้วก็มีความสามารถที่จะติดต่อกับร่างกายเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี้เป็นผู้ที่ติดต่อใจกับร่างกายเหมือนกับโทรศัพท์มือถือสองเครื่อง ที่มีสัญญาณวิทยุไว้ติดต่อกันใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นใจเป็นเหมือนโทรศัพท์สองเครื่องที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางกระแสของวิญญาณของใจวิญญาณนี้สามารถมาเกาะที่ตาหูจมูกวิ้นาย ของร่างกายได้พอเวลาตาไปสัมผัสกับรูปรูป ก, ก็จะถูกส่งผ่านทางวิญญาณเข้ามาสู่ใจให้ใจได้รับรู้ว่ามีรูปมาผ่านทางตาของร่างกายมีเสียงเข้ามาผ่านทางหูของร่างกายมีกลิ่น ที่ผ่านเข้ามาทางจมูกของร่างกายมีรสที่ผ่านเข้ามาทางลิ้นของร่างกายและมีโผฏฐะคือสัมผัสต่างๆที่ผ่านมาทางร่างกายเช่นความรู้สึกเจ็บของร่างกายรู้สึกสบายของร่างกายรู้สึกหนาวเย็นเป็นต้นเรียกว่า สัมผัสหรือผดผพะข้อมูลเหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรพธดผพะก็จะถูกส่งเข้าไปที่ใจผ่านทางวิญญาณของใจกระแสวิญญาณของใจมาเชื่อมมาติดกับร่างกายแต่ใจไม่ได้อยู่ในร่างกายและไม่ได้เป็นร่างกาย ร่างกายเป็นธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุดมธาตุไฟที่มารวมตัวกันเป็นอาการสามสิบสองส่วนใจนี้เป็นธาตรู้<ม>ที่มาเชื่อมติดต่อกับร่างกายผ่านทางกระแสะวิญญาณของใจ<ม>แล้วใจก็เป็นผู้ที่สั่งการ ให้ร่างกายทำอะไรต่างๆผ่านทางสังขารความคิดปรุงแต่งเช่นวันนี้ญาติโยมก็สั่งให้ร่างกายเดินทางมาที่วัดใจของใจของญาติโยมใช้สังขารความคิดปรุงแต่งคิดว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์ไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปนั่งสมาธิกัน พอถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาที่วัดเพื่อที่จะได้มาทำสิ่งที่ต้องการจะทำนี่คือความสัมพันธ์ระว่างใจกับร่างกายที่เ ป, เป็นองค์ประกอบของชีวิตของพวกเราทุกคนชีวิตของพวกเรานี้ก็ เริ่มต้นจากการเกิดของร่างกายเวลาที่มีปฏิสนธิในคันของแม่หลังจากที่มีการประสมพันธ์กันระหว่างเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่มันรวมตัวกันก็เกิดการปฏิสนธิเกิดการก่อร่างสร้างตัวของร่างกายขึ้นมาแล้วก็จะเจริญเติบโตอยู่ในร่างกายอยู่ในคันของแม่จน ครบในอาการครบสามสิบสองแล้วก็จะคลอดออกมาเรียกว่าเกิดพอร่างกายคลอดออกมาจากท้องแม่ก็เรียกว่าเกิดจใจนี้มาครอบครองหรือมาเชื่อมต่อกับร่างกายในขณะที่ยังอยู่ในท้องแม่ในขณะที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใจก็ส่งกระแสวิญญาณมาก่อติดที่ร่างกาย แล้วก็รอให้ร่างกายคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็เริ่มสั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างๆตามความต้องการของใจสิ่งที่ใจต้องการก็คือต้องการสัมผัสต้องการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะชนิดต่างๆก็จะมีการใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือ ในการหาสิ่งต่างๆหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพช่วงที่ยังไม่สามารถหาเองได้ก็อาศัยพ่อแม่เป็นผู้คอยหาให้อยากได้อะไรก็ใช้สังขารความคิดปรุงแต่งนี้สั่งให้ร่างกายพูดบอกพ่อแม่ว่าอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากทำอะไรอยากไปไหนมาไหน ก็ใช้สังขารความคิดปรุงแต่งคอยสั่งให้ร่างกายไปหาสิ่งที่ใจอยากจะเสพคืออยากจะเสพรูปอยากจะเห็นรูปต่างๆอยากจะเสพเสียงอยากจะได้ยินเสียงต่างๆอยากจะลิ้มรสลิ้มรสต่างๆอยากจะดมกลิ่นต่างๆอยากจะสัมผัสกับสิ่งที่มากระทบกับร่างกายต่างๆเป็นต้น นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างใจกับร่างกายใจนี้เป็นนายร่างกายเป็นบ่าว<ม>เพราะใจเป็นผู้สั่งการร่างกายจะไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าไม่มีใจเป็นผู้สั่งการ<ม>เช่นเวลานอนหลับนี้ใจก็ไม่ได้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรร<ม>่างกายก็นอนเฉย หรือเวลาที่ร่างกายตายไปใจก็ไม่สามารถสั่งให้ร่างกายทำอะไรได้ ร, ร่างกายก็จะเจริญเติบโตอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงวาระสุดท้ายคือความตายก่อนจะตายก็แก่ก่อนแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ถึงแก่ความตายไปพอร่างกายตายไป การเชื่อมต่อของวิญญาณกับร่างกายก็สิ้นสุดลงร่างกายก็จะกลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุที่มารวมตัวกันธาตุสีที่มารวมตัวในร่างกายก็จะแยกกันออกไปธาตุลมออกไปก่อนตามด้วยธาตุไฟตามด้วยธาตุน้ำแล้วก็เหลือแต่ธาตุดินที่เราเห็นอยู่กัน เวลาเอาร่างกายไปเผาธาตุดินธาาตุน้าธาตุนมธาตุไฟก็แยกออกไปหมดเหลือแต่ธาตุดินเป็นขี้เถ้าเป็นเศษกระดูกเป็นต้นแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ไม่มีวันตายเพราะใจเป็นธาตรู้เป็นเหมือนกับธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้าธาตุนมธาตุไฟ ถ้าดินาน้ำลมไฟนี้ก็ไม่ได้ตายถ้าดินที่อยู่ในร่างกายก็ยังก็ยังมีก็ยังเหลืออยู่ถ้าน้ำก็แยกออกจากร่างกายไปถ้าลมก็แยกออกจากร่างกายไปถ้าไฟก็แยกออกจากร่างกายไป<ม>ไปรวมตัวกันใหม่ไปรวมตัวในร่างกายอันใหม่ต่อไปเวลาที่มีการผสมพันกัน ก็จะมีการเอาธาตุสี่มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง น, นี่คือเรื่องของร่างกายและใจใจนี้ไม่ได้สูญหายเหมือนกับร่างกายร่างกายเป็นของชั่วคราวเป็นการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วพอธาตุสี่ดินน้ำล ม, ลมไฟแยกกันออกไป ร่างกายที่เราเห็นกันนี้ก็จะหายไปกลายเป็นธาตุสี่ไปกล า, <ม>ายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุดมธาตุไฟไปส่วนใจนี้ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อใจนี้ที่เป็นธาตรู้นี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายเราจึงไม่ค่อยรู้จักใจของเรากัน เราจึงไม่เห็นว่าใจเราเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ได้มาเรียนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าเรามีใจที่ไม่ได้เป็นส่วนของร่างกาย mm hmm. เพียงแต่ว่ามีใจที่เป็นที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายนี้มาครอบคองร่างกาย มาสั่งให้ร่างกายมาใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆให้กับใจเวลาที่ใจได้ร่างกายมาใจก็จะใช้ร่างกายนี้ไปหาความสุขอะไรที่ใจคิดว่าจะให้ความสุขกับใจใจก็ไปหาสิ่งเหล่านั้นคิดว่าการได้เงินได้ทองมาจะทำให้ใจมีความสุข ใจก็ไปหาเงินทองมาคิดว่าถ้าได้ตำแหน่งได้ยศได้อะไรจะทำให้ใจมีความสุขก็จะไปหายศมาคิดว่าถ้ามีใครยกย่องสรรเสริญเยือนยอแล้วจะทำให้ใจมีความสุขใจก็พยายามไปหาการสรรเสริญเยินยอมาแล้วคิดว่าการได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ทำให้เกิดความสุขขึ้นมาใจก็จะไปหารูปเสียงกดลิ่นรสมาเสกแต่ความคิดของใจที่คิดว่าการได้มีลาบยศสรรเสริญการได้เสษ ร, รูปเสียงกดลดิ่นรสผลทพานี้เป็นความสุขนี้เป็นความคิดที่ไม่สมบูรณ์เป็นความคิดเพียงข้างเดียวครึ่งเดียวเพราะว่าความจริงแล้วลาบยศสรรเสริญสุขนี้ จากรูปเสียงกิจลดนี้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันไปสลับกันมาเพราะลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกิจลด์ต่างๆนี้เป็นของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับนั่นเองเวลามีการเจริญของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกิจลดก็มีความสุขปรากฏขึ้นมา เวลาที่มีการเสื่อมของราบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นลดเวลานั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่แหละคือความทุกข์ของใจของพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนนี้ที่ทุกกันก็ทุกข์เพราะว่าเรามาหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดผดทะชนิดต่างๆมาบำรุงบำเรอมาให้ความสุขกับเรา แต่เราลืมไปหรือเราไม่รู้ว่าราบยศฉลเสริญนลารูปเสียงกดลิ่นรสที่เรามาเสพกันนี้มันเป็นของที่ไม่แน่นอนมันมีเจริญได้แล้วมันก็มีการเสรื่อมได้พอเวลาราบยศฉลเสริญรูปเสียงกดลิ่นรสเสื่อมลงไปใจก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา นี่คือความทุกข์ของใจความทุกข์ของพวกใจของพวกเราทุกคนที่เมื่อมาหาราบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นแลวแล้วจะต้องเจอกับความทุกข์อย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วจะต้องเจอกับความเศร้าโศกเสียใจต่างๆนี่คือปัญหาของใจคือความทุกข์ใจที่เกิดจากความหลงของใจเอง ขาปัญญาความรู้ที่แท้จริงความรู้ของราบยศเสริญสุขว่ามันเป็นมันเป็นสุขด้วยแล้วก็มันเป็นทุกข์ด้วยตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วอาจจะต้องนั่งสมาธิกันไปทางๆงก่อนเพราะว่าเสียงมันดังฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยสะดวก ถ้าตอนนี้เรามาใช้การนั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราใช้ถูกใจไว้กรรมฐานนี้ก็มีหลายรูปแบบที่เราสามารถใช้ในการถูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดได้ เป็นการดูลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมพุทโชพุทโชหรือการสวดมนต์เวลานั่งสมาธติต้องมีกรรมฐานไว้เคลื่อนเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจฉะนั้นตอนนี้ขอให้ ญ, ญาติโยม น, น, นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจก็ได้ถ้าดูลมได้ ถ้าดูรลมไม่ได้จะใช้คําบริกรรมพูดโธก็ได้ถ้าพุโทโธไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ก็ได้สวดบทแผ่เมตตาก็ได้สวดบทอิติปิโสก็ได้หรือว่าถนัดใช้อะไรที่จะทําให้ใจนิ่งให้สงบก็ใช้อย่างนั้นไปก็ได้ตอนนี้ขอพักการแสดงธรรมไว้ก่อนแล้วมานั่งสมาธิกันต่อ ตอนนี้เวลาสำหรับนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วเป็นอย่างไรถ้านั่งแล้วสงบขอให้ดูวิธีการนั่งของเราเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ครั้งต่อไปครั้งต่อไปเวลานั่งอย่าไปอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบด้วยความอยากแต่มันจะสงบด้วยวิธีของการนั่งของเราในวันนี้ ถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อยก็ควรที่จะฝึกสติในระหว่างวันพยายามเจริญสติพุทโธพุทโธหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วต่อไปเราจะมีสติเพิ่มมากขึ้นและเวลานั่งสมาธิใจก็จะได้สงบได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พร ยทถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขาลังเอวเมวะอิโตจินางเปตานางอุปกัป e ติอิชิตังปฏชิตังตุมห um ังคิปเมวาสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยถามณนีโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนศีลิสานิจัวุธาปจายโน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 สองอเจ็ดสิบ YouTube d r V สี่ิบห้า Vtuber Online 9า Clubhouse สองนักกุฏิหนึ่งร้อยสิบห้ารวมทั้งหมดห้าร้อยห้าสิบเจ็ดท่านค่ะคำถามจกผู้รับฟังน้ากุฏิค่ะ โยมได้ปฏิบัติภาวนาโดยการนั่งที่ไม่ได้หลับตาในครั้งหนึ่งได้เห็นว่ามีความสุขเห็นว่าตัวของเราเบาและเราไม่สามารถขคิดสิ่งใดๆได้เลยคงความสุขนั้นเดินไปมาได้เกือบชั่วโมงจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงจากภายนอกจนกลับมาสู่สภาพปกติในสภาวะนี้เรียกว่าจิตได้อยู่ในการภาวนาอัปปนาสมาธิใช่หรือไม่คะและการพิจารณาจะพพิจารณาในช่วง เพราะในขณะนั้นไม่สามารถคิดสิ่งใดได้เลยและการที่ไม่ได้นั่งหลับตาภาวนาถือว่าทำได้ถูกต้องหรือเปล่าคะขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำด้วยค่ะเมั้นถามหลายหลา ย, หลายคำถามเดี๋ยวจำไม่ได้นะคือเวลาจิตสงบมันก็จะมีความสุขแล้วมันจะไม่คิดอะไรฉะนั้นช่วงนั้นเราจะไม่ใช้เวลานั้นมาพิจารณาทำ การพิจารณารมต้องรอให้จิตออกจากความสงบก่อนเริ่มคิดอะไรได้แล้วค่อยเอามาคิดทางปาัญญาคิดทางใจลัควิธีนั่งของแต่ละคนก็อาจจะมีไม่เหมือนกันจิตสงบของแต่ละคนอาจจะมีวิธีต่างกันก็ไม่จำเป็นจะต้องทำเหมือนกันหมดทุกคนถ้าวิธีไหนที่ทำให้ใจเราสงบสบายมีความสุขเราก็ใช้วิธีนั้นไป ส่วนมันจะเป็นสงบแบบไหนมันไม่ได้บอกเราเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ได้บอกว่าเป็นอัปปนาเป็นคณิกะหรือเป็นอุปจาระให้ของพวกนี้ไม่สำคัญมันเป็นชื่อเราดูตัวมันก็พอตัวที่เราต้องการก็คือจิตสงบเรามีความสุขแล้วก็อยู่ตั้งอยู่ได้นานมันจะมีชื่ออะไรก็ไม่สำคัญเพราะการนั่งสมาธิของเราเพื่อให้เราใจมีความสุข เมื่อมีความสุขแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปหาความสุขที่ข้างนอกไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ต้องไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเรามีความสุขในตัวของเราเองนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขภายนอกมาหาความสุขภายในใจของเราคาถามจากทาง a c e บ o o k ค่ะ การปฏิบัติระหว่างวันของลูกคือสวดพุทธคุณและเดินตรงจงกรมซ้ายขวามีวันหนึ่งตอนเย็นกำลังจะเอื้อมมือไปปิดประตูรั้วบ้านมีความผิดผุดขึ้นมา ประตูรั้วก็เหมือนศีลที่คุ้มครองไม่ให้ความชั่วเข้าสู่จิตใจเราเรารักษาศีลก็เพื่อปกป้องจิตใจตัวเราให้ปลอดภัยชะงักไปชั่วขณะแล้วก็ถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างเงียบไปหมดพิจารณาว่าเป็นความคิดสอนใจตนระวางลงมันแจ่มแจ้งมากค่ะรู้อยากสอบถามว่ามันคืออะไรแล้วเราควรวางใจอย่างไรเจ้าคะมันไม่คืออะไรหรอกมันไม่ต้องไปสนใจว่ามันคืออะไร ก็มันก็เป็นสิ่งที่เราเรารับรู้ก็รู้มันไปถ้ามันมีคุณมีประโยชน์เราก็เอามาใช้มันถ้ามันไม่มีคุณไม่มีประโยชน์เราก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นอะไรหรือมันมาจากไหนขอให้เราดูว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้หรือเปล่าถ้าเราใช้ประโยชน์จากมันได้เราก็เอามาใช้ประโยชน์ถ้าใช้ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันผ่านไปท่านั้นเอง ถ้าจะพิจารณาก็พิจารณาว่ามันเป็นตายรักมันเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอานัตตาไม่มีใครมาสั่งมาควบคุมบังคับมันได้มันจะผดขึ้นมามันก็ผดมันไม่มันไม่ผลมันก็ไม่ผลเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปรู้ว่ามันมันเป็นเป็นอะไรมาจากไหนให้รู้ว่ามันกินได้แล้วกินไม่ได้ดีกว่าถ้ากินได้ก็มากินถ้ากินไม่ได้ก็โยนทิ้งไป ไม่มีคำถามแล้วเลยการปฏิบัติส่วนใหญ่เราบางอยากจะไปยึดติดตำราว่าอปปนาสมาธิเป็นอย่างนั้นอุปจาระสมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วพอปฏิบัติเราก็พยายามที่จะเอาสิ่งที่ปรากฏขึ้นมามาพยายามมามาม า, มาเทียบว่ามันเป็นปัญญาหรือเปล่าเป็นสมาธิหรือเปล่าเป็นอุปจาระหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องทำนะ สิ่งที่เราต้องการทํา mm hmm. ก็คือต้องการดูว่าใจเราสุขหรือทุกข์เท่านั้นเอง oh. ถ้าสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาทําให้ใจเราสุขอันนั้นละ่ะใช้ได้เป็นธรรมก็แล้วกันคิดว่าเป็นธรรมะถ้า mm hmm. สิ่งไหนที่ปรากฏขึ้นมาแล้วทําให้ใจเราทุกข์เนี่ยเรียกว่ามันเป็นกิเลสเป็นเป็นอัธรรมให้รู้แค่นี้ก็พอถ้าเป็นธรรมเราก็พยายามสร้างมันให้ขึ้นมาบ่อยๆเ mm hmm. จริญมันบ่อยๆให้มันมีมากขึ้นถ้ามันเป็นกิเลสก็พยายามระ ง, งับมันตัดมันไป ด้วยการเจริญสติพุโทโธพุโทโธดูลมหายใจก็ได้เพื่อทําให้ใจนิ่งให้ใจสงบพอใจนิ่งใจสงบความทุกข์ที่ปรากฏก็จะหายไป<ม>อันนี้คือแนวทางการปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์เพื่อสร้างความสุขให้กับใจไม่ใช่ปฏิบัติมาเพื่อไปนค้นหาว่ามันชื่ออะไรเป็นการมาอย่างไรไม่จําเป็นจะต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้ เหมพระท เ, เจ้าท่านเคยเล่านิทานให้ฟังว่ามีชายคนหนึ่งถูกถูกยิงด้วยด้วยธนูแล้วมีมีคนจะมาช่วยรักษาทีนี้คนที่ถูกยิงธนูก็บอกอย่าเพิ่งมารักษาช่วยไปสอบถามดูก่อนว่าคนที่ยิงเราเป็นใครมีครอบครัวอยู่ที่ไหนมีบ้านอยู่ที่ไหนมีสามีมีภรรยาหรือเปล่ามีลูกหรือเปล่าเป็นลูกของใครพ่อแม่ชื่ออะไรลองไปสอบนีย ไปหาข้อมูลตอนนี้ก็ตายก่อนงั้นวิธีที่ถูกต้องก็คือให้ถอนธนูออกจากจากร่างกายแล้วก็รักษาบาดแผลให้มันหายสนิทอันนี้ก็เหมือนกันเราปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ที่เรามีอยู่ในใจเวลาเกิดความทุกข์ใจเศร้าใจเสียใจเนี่ยเราทำอย่างไรที่ทําให้มันหายทุกข์วิธีแรกก็คือนั่งสมาธิทําใจให้สงบวิธีที่สองก็ ใช้ปัญญาค้นหาดูว่าเหตุที่ทําให้ใจเราทุกข์เกิดจากอะไรอุตจาวเกิดบอกว่าเกิดจากความอยากต่างๆของเราอยากให้เขาดีกับเราพอเขาไม่ดีกับเราก็ทุกข์ใจอยากให้เขาอยู่กับเราพอเขาไม่อยู่กับเราเราก็ทุกข์ใจถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็อย่าไปอยากนั่นเองอย่าไปอยากให้เขาดีกับเราเขาจะร้ายกับเราก็ปล่อยเขาร้ายไปเราก็จะไม่ทุกข์เขาจะไม่อยากจะอยู่กับเราก็ปล่อยให้เขาไปเราก็อย่าไปอยากให้เขาอยู่ เราก็ไม่ทุกนี่คือการปฏิบัติให้รู้แค่เนี้ยรู้วิธีหยุดความทุกข์หยุดด้วยสติก็คือใช้การนั่งสมาธิหยุดด้วยปัญญาก็พิจารณาให้เห็นว่าเหตุที่ทําให้ใจเราทุกข์คือความอยากอันนี้เราอยากอะไรอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรอยากมีอะไรถ้าหยุดความอยากงั้นได้ใจเราก็จะหายทุกข์มีคําถามยังไหมมีค่ะคําถามจาก ทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าทนายความต้องเข้าทําคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและทําอย่างเต็มที่ตามหน้าที่แล้วแต่ใจลึกๆรู้สึกไม่สบายใจอย่างนี้ถือว่าเรามีส่วนร่วมในการกระทำผิดทางศีลธรรมด้วยไหมครับก็เราไม่ได้ไปขายยาเสพติดเราจะมีส่วนร่วมตรงไหนเรามีหน้าที่ทําหน้าที่ เสนอข้อมูลให้กับศาลตัดสินนั่นเอง<ม>ถ้าเป็นข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงถ้าเขาไม่ผิดเขาก็ไม่ผิดตามกฎหมายมถ้าเขาผิดเขาก็ผิดเราจะผิดก็ต่อเมื่อเราบิดเบือนข้อมูลเอาความไม่จริงมาเสนอให้กับศาลคือมาหลอกศาล อ, <ม>อย่างนี้เราก็เป็นทนายที่โกหกทนายที่โกหกก็ผิดศีนข้อข้อสี่มุสาวาธาเ<ม>ท่านั้นเองแต่ไม่เกี่ยวกับการคายยาเสพติดของของลูกความของเรา เรามีหน้าที่ที่จะเสนอข้อมูลให้ศาลตัดสินแล้วก็เราก็เอาข้อมูลที่เป็นความจริงมาเสนอเท่านั้นเองแล้วศาลจะตัดสินถูกหรือผิดก็เป็นเรื่องของศาลไปเราไม่มีมเราไม่เกี่ยวกับเรื่องของการค้ายาเสพติดแต่อย่างใดหรือถ้าเราอยากจะไม่ไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวด้วยก็ปฏิเสธไปก็แล้วกันเวลาใครมามีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดก็บอกว่าขอขอ ขอผ่านนะอันนี้ไม่ไม่อยากจะช่วยคนที่ค้ายาเสพติดทางโลกมันก็มีอย่างนี้แหละเรื่องของทางโลกมันก็มีแต่เรื่องของปัญหาต่างๆทำถูกกฎหมายแต่อาจจะผิดศีลธรรมก็ได้เพรา้เราต้องยึดหลักศีลธรรมไว้ศีลห้านี่แหละเป็นหลัก ที่เราควรจะยึดไว้ในการนำนองชีวิตในการทำมาหากินเลี้ยงชีพว่าการกระทำของเรานี้ทำทำให้ผู้อื่นเขาตายหรือไม่ทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนหรือไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ด้วยการทำร้ายชีวิตของเขาด้วยการเอาทรัพย์สินของเขามาชอ่อกงด้วยการไปเอาพฤติในการม ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้นแล้วการไม่พูดความจริงพูดปดอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องใช้เป็นหลักการของการปฏิบัติหน้าที่ของเราถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ของเราถูกศีลแล้วเราก็จะปลอดภัยถึงแม้ จ, จะไม่ถูกกฎหมายอันนี้ก็ช่วยไม่ได้บางทีก็อาจจะต้องไปติดคุกเพราะเรารักษาศีล ก็ต้องยอมติดดีกว่าไปติดคุกในอบายหลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเราทํำบาปทาผิดศีลถึงแม้เราจะทําผิดแล้วถึงแม้เราจะทําถูกกฎหมายแต่เราทําผิดศีลเวลาตายไปเราก็ต้องไปติดคุกในอบายดังนั้นคุกในอบายมันยาวนานกว่าคุกในในโลกนี้แล้วก็มันนุ่นแดงทุกมากกว่า ทุกที่อยู่ในโลกนี้เะ็ั้นคนที่รักษาศีลเขาจะพยายามเขาจะพยายามติดคุกถ้าถ้าเขาต้องทำบาปเพื่อไม่ให้ติดคุกเขาก็ยอมติดคุกดีกว่าดีกว่าทำบาปแล้วไปเกิดในอบายต่อไปมีอะไรอีกไหมยังไม่มีเลยวันนี้ฝนตกไ้มฝนฝนตกตั้งแต่ตอนเช้า ตอนเช้บาบาินตบบาดก็ฝนตกปล่อยๆคนเลยไม่คิดอยากจะไปไหนกัน น, ะนอนดีกว่าสบายคนติดตามก็เลยน้อยลงปกติวันเสาร์ที่คนติดตามอย่างน้อยก็เจ็ดแปดร้อยขึ้นไปวันนี้ก็ลดเหลือแค่ห้าร้อยกว่าก็เป็นเรื่องอ น, นิจจังไม่มีอะไรแน่นอนมีขึ้นมีลงเราอย่าไปยึดกับอะไร อย่าปอยากให้มันขึ้นอย่างเดียวพองอะไรมันขึ้นมันก็ต้องมีลงเหมือนกับน้ำทะเลเนี่ยมีน้ำขึ้นมีน้ำลงเป็นธรรมดาทันใดชีวิตของพวกเราก็มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาบางทีก็ร่ำรวยบางทีก็เงินทองไหลามาเทมาบางทีก็หายไปมีแต่ออกไม่มีเข้าบางทีก็มียศตาแหน่งลอยมาบางทีก็ไม่มี บางทีก็ถูกรด ถ, ถูกปรับตำแหน่งลงมันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของกฎอันนี้จังไม่เที่ยงอนาตาไม่มีใครไปสั่งไปห้ามมันได้ถ้าเราไปยึดไปติดเราจะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็เราก็ต้องปล่อยวางปล่อยให้มันขึ้นปล่อยให้มันลงไปพร้อมที่จะรับทั้งขาขึ้นขาลงขาขึ้นก็โอเคขาลงก็โอเคได้ทั้งนั้น ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ให้เราคิดอย่างนี้ของทุกอย่างที่เราได้มาในโลกนี้วันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปเราก็เอาะไรติดตัวเราไปไม่ได้นอกจากบุญและบาปที่เราทำไว้เท่านั้นเองที่เป็นสิ่งที่จะติดตัวไปกับเราและนิสัยต่างๆนิสัยที่ชอบทำบุญมันก็จะติดไปกับเรานิสัยที่ชอบทำบาปมันก็จะติดไปกับเราชาติหน้าเรามาเกิดใหม่ เราก็จะมีนิสัยเดิมติดมากับเราถ้าชอบทำบาปก็กลับมาทำบาปใหม่ถ้าชอบทำบุญก็จะกลับมาชอบทำบุญใหม่ทำบุญก็จะพาให้เรามีความสุขพาให้เราไปสวรรค์พาให้เราไปนิพพานทำบาปก็จะพาให้เราไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปตเป็นนสุรกายไปตกนรกไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกขภูมิอยู่ในอบายภูมิไม่มีวันผุดไป ไม่มีวันหลุดพ้นจากกองทุกได้มีแต่การทําความดีตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะพาให้เราได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆและหลุดออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ต่อไปอยันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราควรจะตั้งเป้าอยู่ที่การทําบุญทําความดีอย่าไปตั้งเป้าอยู่ที่การร่ํารวยการมียศมีตําแหน่งสูงๆเพราะการจะร่ํารวยได้การมียศตําแหน่งได้บางทีต้องแรก กับการทำผิดศีลก็ทำได้แล้วไม่คุมคุ้มค่าต้องไปใช้นี่เวลาตายไปเอาถือเอาการทำบุญเป็นเป้าหมายดีกว่าจะรวยหรือไม่ไม่สำคัญจะใหญ่จะโตไม่ไม่สำคั ญ, ญ, คญข้อสำคัญขอให้เราได้ทำความดีถ้าทำดีแล้วรวยก็ดีไปถ้าทำดีแล้วไม่รวยก็ไม่เป็นไรเพราะการทำความดีการทำบุญนี้มันทำให้เรามีความสุขใจ สุขใจมากกว่าโอกาสการที่เราได้รับได้รวยได้เป็นใหญ่เป็นโตฉะั้นขอให้เรายึดจากการทำความดีไว้แล้วเราจะไม่ผิดหวังเราจะไม่ขาดทุนถ้าเรายึดกา ร, รล่ำรวยการเป็นใหญ่เป็นโตแล้วพร้อมที่จะแลกกับการทำบาปอันนี้เราก็จะขาดทุนเพราะสิ่งที่เราได้มาเป็นของชั่วคราวตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ถึงที่จะเอาไปก็คือบาปผลของบาปก็คือไปเกิดในอบายต่อไป มีคำถามเข้ามาหรือยังมีค่ะคําถามจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะเราจะวางชีวิตอย่างไรเมื่อความตายมาถึงครับก็ยอมรับมันอยยินดีต้อนรับมันเราก็จะมีความสุขเวลาเราอยากได้อะไรพอเราได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะมีความสุขถ้าเราไม่อยากได้เราก็จะมีความทุกข์ที่เราทุกข์กันเพราะเราไม่อยากตายกันเราทุกข์กัน แต่ถ้าถึงเวลาตายแล้วเรายอมตายได้เราจะมีความสุขแต่อย่าไปอยากตายตอนที่ยังไม่ตายนะอย่าไปอยากตายแล้วไปฆ่าตัวตายอย่างนี้ก็เป็นทุกข์อีกแบบนึงถ้ามันยังไม่ตายก็ก็ยินดีกับการไม่ตายก็อยู่กับความอยู่กับมันไปเมื่อเมื่อถึงเวลามันจะตายก็ยินดีกับความตายถ้าอยู่ถ้ายังอยู่ก็ยินดีกับการอยู่ถ้าเวลาจะตายก็ยินดีกับการตาย แล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์อ่ามีไหมค่ะคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะการรักษาศีลจะทําให้ภาวนาสงบมากขึ้นและหากยังผิดศีลจะทําอย่างไรให้ภาวนาสงบคะก็รักษาศีลสิถ้ากินเหล้าก็เลิกกินเหล้าอ่ถ้ากินเหล้าแล้วมันเมาไม่มีสติมานั่งมันก็นั่งไม่ได้ ถ้าวันไหนจะนั่งสมาธิก็วันนั้นก็อดเล่าไปหนึ่งวันก็นแล้วกันวันนี้จะอดเล่าเพื่อจะนั่งสมาธิหรือถ้าเราทําบาปชนิดอื่นแล้วก็งน ง, งับเสียเวลาทําบาปแล้วมันจะทําให้ใจเรามีความทุกข์กับบาปที่เราทําเวลานั่งมันความทุกข์ใหญ่นี้มันจะมารบกวนใจเรามันจะทําให้ใจเราสงบได้ยากกว่าเวลาที่เราไม่ได้ทําบาปดังนั้นพยายามรักษาศีลให้ได้ ศีลเป็นเครื่องสนับสนุนการนั่งสมาธิแล้วการนั่งสมาธิก็จะสนับสนุนการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็จะสนับสนุนการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการทำของพระเจ้าเป็นเหมือนขั้นบันไดต้องเริ่มที่ขั้นที่หนึ่งคือทำทานก่อนทำทานแล้วจะทำให้เรามีความเมตตาเราจะรักษาศีลได้ง่ายเมื่อเรารักษาศีลได้เราก็จะนั่งสมาธิได้สะดวกกว่า แล้วเมื่อเรามีสมาธิจิตสงบเราก็สามารถพิจารณาปัญญาและปล่อยวางสิ่งที่ทำให้ใจเราทุกข์ได้พอเรามีปัญญาปล่อยวางสิ่งที่ทำให้ใจเราทุกข์ได้เราก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ธรรมะของพระเจ้าเป็นธรรมะที่เป็นขั้นเป็นตอนคนรจะปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปก่อนตอนนี้เราทำบุญทำทานได้หรื อ, อยังยังเสียดายเข้าของเงินทองอยู่หรือเปล่า ยังโลภยังอยากได้เข้าของเงินทองอยู่หรือเปล่าถ้ายัางโลภอยู่ก็ให้คิดถึงความตายบ้างตายไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะสมบัติกองเท่าภูเขานี้เอาไปไม่ได้เลยเราจะได้หายโลภหายหายความหวงความตณีเราจะทําให้เราทําบุญทําทานได้เมื่อเราทําบุญทําทานได้เราก็จะมีความเมตตากับคนนั้นคนนี้เราก็จะไม่อยากจะเบียดเบียนใครเราก็จะไม่อยากจะทําบาป แลเมื่อเราไม่ทําบาปใจเราก็จะไม่วุ่นวายไม่กังวลกับบาปที่เราทําแต่นั่งสมาธิใจก็จะสงบง่ายเมื่อใจมีสมาธิใจนิ่งสงบใจมีวิเบขาใจก็มีกําลังที่จะสนับสนุนปัญญาเวลาที่ปัญญาพิจารณาเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากความอยากนี้เราก็จะใช้สมาธิจิตที่มีกําลังของสมาธินี้หยุดความอยากได้ ถ้าจิตไม่มีกําลังของสมาธิก็จะหยุดความอยากไม่ได้คําถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะชะตาชีวิตถูกกําหนดไว้แล้วหรือเราเป็นผู้กําหนดเองคะคืออดีตเป็นผู้กําหนดปัจจุบันของเรานี่ยบุญกรรมที่เราทํามาในอดีตมันเป็นผู้กําหนดให้เรามาเป็นอยู่ของเราอย่างนี้แต่อนาคตนี่มันอยู่ที่เราในปัจจุบันนี้เราสามารถกําหนดได้ว่าเราจะไปทางทิศไหน จะขึ้นก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้จะไปอบายก็ได้ไปนิพพานก็ได้อยู่ที่การกระทําของเรามันไม่ได้กําหนดไปตลอดอมันกําหนดมาถึงปัจจุบันนี้ความเป็นอยู่ของเราในขณะนี้เกิดจากอดีตที่เราทํามาอดีตนี้ก็หมายถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปเลยก็ได้มันเป็นผู้กําหนดให้เรามาเป็นในปัจจุบันนี้ แต่วันนี้เราสามารถกำหนดให้มันเป็นพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้อยากจะเป็นอะไรเราก็สามารถกำหนดได้พรุ่งนี้อยากจะไปบวชชีเราก็ไปบวชได้อยากจะไปบวชพระเราก็ไปบวชได้มันอยู่ที่เราเราชะตาชีวิตอยู่ในกามือเราไม่ได้อยู่ที่กามือของใครพระเจ้าบอกมันอยู่ในกามือของกรรมคือการกระทําของเราเราทำกรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นผู้รับผลของบุญนของของกรรมนั้น เพราะฉะนั้นให้เลือกทํากรรมดีทําบุญแล้วผลบุญก็จะตามมาถ้าเลือกทำบาปผลบาป ก, ก็จะตามมาเราไม่เชื่อลองไปลองไปค่าคนดูวันนี้เลยเดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องไปติดคุกติดตารางไปแช่โกงไปทําอะไรใช่เกิดการเสียหายกับผู้อื่นเดี๋ยวก็ต้องมีเวรมีกรรมตามมาแต่ถ้าเราทําแต่ความดีมันก็ไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีไม่มีโทษตามมาในแต่ผล คือความสุขความเจริญตามมาคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะอาการของขันห้าที่สุดแล้วกับอาการของหันห้าที่สุดแล้วคืกลับสู่ใจถูกต้องหรือไม่ครับใจคือผู้รู้เกิดเกิดดับดับใช่ไหมครับขันห้า ม, มันมีสองส่วนส่วนที่เป็นร่างกายส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นใจ ส่วนนี้เป็นใจมันก็อยู่กับใจไปมันไม่มันก็เปลี่ยนไปเ ป, เปเลปเปี่ยนมาคิดเช่นความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมารู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ความคิดมันก็คิดไปคิดมาความจำได้ไหมายรู้มันก็จำเรื่องนั้นจาเรื่องนี้ไปมันอันนี้อยู่ใ น, ในใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายส่วนร่างกายมันก็เป็นส่วนที่ทำจากดินน้ำลมไฟมันก็กลับคืนสวนดินน้ำลมไฟไปใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจถ้ายังมีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายก็ไปก็ไปเกิดใหม่แต่ถ้าใจตัดความอยากต่างๆได้หมดใจก็ไม่ต้องไปเกิดใจก็ไปนิพพานแทนคําถามจากทาง facebook ค่ะทุกจากคู่สมรสนอกใจต้องจัดการเก็บความทุกต้องจัดการกับความทุกอย่างนี้อย่างไงคะก็ไปกําจัดที่เหตุสิเหตุก็คือเราไม่ยอมรับความจริงเราไม่ยอมให้ คู่ครองของเรานอกใจเราก็เลยทุกข์แต่ถ้าเราเปลี่ยนใจว่าเขาก็เป็นคนที่จิตใจไม่แน่นอนเขาอาจจะเปลี่ยนไปได้อถ้าเรายอมรับความจริงอันนี้เราก็จะไม่ทุกข์ก็ปล่อยก็เปลี่ยนไปเราต้องรู้จะรู้ว่าใจของเขาไม่แน่นอนใจของเขาเปลี่ยนได้รักเราวันนี้แต่อาจจะเบื่อเราในวันพรุ่งนี้ก็ได้ <nie. S 2> แล้วอาจจะไปรักคนอื่นแทนก็ได้เราต้องยอมรับความจริงแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ แต่ถ้าเรายังอยากให้เขารักเราอยู่ไม่อยากให้เขาไปรักคนอื่นเราก็จะทุกเวลาที่เขาไม่รักเราแล้วเขาไปรักคนอื่นแทนคำถามจากทาง y o u t u b ปพระอาจารย์สุชาติค่ะผมอายุเยอะแล้วป่วยหลายโรคไม่ค่อยแข็งแรงทำอะไรเองไม่ค่อยได้ไม่รู้ต้องตายเมื่อไหร่กราบขอวิธีวางใจให้ไม่ทุกในช่วงสุดท้ายของชีวิตครับทำใจให้สงบอย่าไปกังวลกับร่างกาย ร่างกายเราควบคุมบางคับมันไม่ได้มันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ต้องปล่อยมันแก่เจ็บตายไปแต่เราควบคุมใจของเราได้ให้ใจเรานิ่งให้ใจเราสงบให้ใจเราปล่อยวางร่างกายถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ทำใจให้สงบได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายคาถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะคนที่ร่างกายไม่อานวยสดุ ขอโทษค่ะคนที่ร่างกายไม่อำนวยมีสภาวะทางสมองสามารถปฏิบัติได้ไหมครับก็แล้วแต่เขาว่าเขามีกำลังที่จ ะ, จะเจริญสติได้หรือเปล่าพุทโธพุทโธไปทั้งวันได้หรือเปล่านั่งสมาธิได้หรือเปล่านั่งไม่ได้นอนสมาธิได้หรือเปล่านอนแล้วหลับหรือเปล่า น, นี้เป็นปัญหาที่เขาังต้องพิจารณาดูค่ะคถามจากคุณจิรารัตน์ค่ะ เคยจำได้ว่าพระอาจารย์เทศว่าผู้ที่ได้รับการเกื้อกูลจากเราฉันเคยได้รับเงินข้าวของจากเราเมื่อพวกนั้นเสียชีวิตและไปสู่ภพภูมิที่สูงเช่นไปเป็นเทพเขาจะคอยดูแลรักษาเราตามสมควรแก่เหตุที่เราเคยทำใช่ไหมคะก็มีโอกาสเพราะเขาอาจจะราลึกถึงบุญคุณของเราแล้วถ้าเขามีความสามารถที่จะคุ้มครองดูแลเราได้เขาก็จะคุ้มครองดูแลเรา คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะกราบขอโอกาสถามคำถามครับถ้าปฏิบัติมรณานุสติตอนนั่งสมาธิต้องมีคําบริกรรมไหมครับถ้ามีต้องบริกรรมว่าอะไรตายตายตายตายต้องตายต้องตายต้องตายมหมนแล้วยังยังไม่มีคําถามใหม่ค่ะอาจรย์อยากจะถามอีกไหม